พราฟังที่ครบคะมาอีกแล้วนะคะสาหรับช่วงเวลาที่สองของรายการนี้ที่ท่านทั้งหลายอาจจะบอกว่าฟังพุทธประวัติที่ท่าจันเพยียบุญพูดเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับที่เราเคยรู้มาเลยในหลายๆเรื่องทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นฉบับที่เขาเรียกว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ และเดี๋ยวเราไปฟังต่อนะคะจากพระอาจารย์ไพลบูลว่ารายละเอียดนั้นเป็นอยไรกันบ้างเพราะว่าท่านก็อยู่ที่นี่แล้วช่วงเปิดทําที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะค่ะนวัฏจั ก, กรค่ะท่านคะใช่เชิญพรค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการหลีกเล้นของวัดปา่าดอนหายโศอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ค <c oughs> ือ <c oughs> เดือนอนั่นน่ะสิคะก็เป็นโอกาสที่เปิดให้อย่างสม่ําเสมออยู่ที่ว่าท่านจะไปหรือเปล่าเท่านั้นเองตัวตัวอาตมาเองนะคุณโยมติวอาตมาเห็น อันนี้ทรงของการหลีกเร้นมากๆเลยค่ะคือตัวเราเองเนี่ยนะเราบอกให้เขาไม่พูดใช่ไหมเราก็ต้องไม่พูดเราบอกให้เขานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิเราอ่านหนังสือให้เขาฟังหรือว่าแสดงทำเราก็ต้องฟังเองด้วยใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นเราเนี่ยจะเป็นคนที่ที่ได้ประโยชน์ <c oughs> เห็นประโยชน์ของการหลีกเร้นมากมากค่ะคือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงการหลีกเร้นเนี่ยนะตัวเราเองก็พยายามจะทําอยู่เรื่อยๆกลางวันหลังฉันเสร็จเราก็มานั่งสมาธิ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการหลิกเล่นนะนะค่ะแล้วก็บางทีมีเวลาก็ไปเดินจงกรมต่างๆถึงแม้ว่า ง, งานอะไรต่างๆมันก็จะยังมีอยู่เพราะว่าอาม้เร็งเห็นอย่างนี้ว่าเวลาที่จิตของเราเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทรงจิตของเราไว้ให้มันสบายอยู่ได้มากขึ้นค่ ะ, ะมากกว่าการที่เราไม่ได้ฝึกจิตเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆจริงๆเลยถ้า ใครสักคนในคนหนึ่งจะทําได้นะเอริฉัก็เลยถามพรดีว่าท่านก็นเลยจะบอกท่านฟังทั้งหลายใช่ไหมว่าพ้นทานที่ดีมีอยู่ท่านทราบหรือไม่ปฏิ บ, บัติเถอะอย่างั้นนะคะใช่ใช่ <c oughs> ค่ะก็ฟังราการเนี้ยจะเกิดความรู้สึก อ, อถึงเวลาแล้วมั้งสงสยัยจะต้องปฏิบัติสัทีมาฟังพุทธประวัติของพระพุทธองค์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะใช่วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าอยู่เหมือนกัน <c oughs> คือมีพราหมณ์องค์หนึ่งเขาชื่อว่าเอกุ การีพรามเอกุการีใช่ค่ะเอกุการีพรามเนี่ยเขาไปถามอย่างนี้ถามพระรูชาบอกว่าในคําสอนของศาสนาพรามเนี่ยนะเขาบอกว่าแต่ละพวกเนี่ยมีหน้าที่พวกกษัตริย์นะก็ต้องเที่ยวปกครองบ้านเมืองใช่ไหมพวกพรามเนี่ก็ต้องทําพิธีกรรมสวดนั่นสวดนี่พวกเวศนี่ก็คือพวกทำอาชีพอาชีพกศิกรรมพวกชูดนี่ต้องทํางานที่ใช้แรงงานต่างคนต้องต่างทําหน้าที่ นะ น, นี่คือบรรณต่างๆแล้วถามว่าคำสองของสมณโคดมเนี่ยมีการแบ่งอย่างนี้ไห ม, มว่างั้นค่ะพระเจ้าก็เลยถามนะอิตาเอกุกา ร, รีพรามนี้กลับนะว่าเอาท่านี้ถามอย่างนี้ว่ า, าไฟเนี่ยนะไฟดวงไฟที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าไฟเกิดจากาฟืนนะหรือไฟที่เกิดจากสะเก็ดไม้หรือไฟที่เกิดจากแย่แห้ง หรือไฟที่เกิดจากขี้วัวเนี่ยถามว่าไฟต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกันไหมอ่าเข้าถามอย่างนี้ค ะ, ะ, พะพุทธเจ้าถามอย่างนี้นะพระรามองค์นั้นก็บอกว่าเอ้าเหมือนกันสิมันก็เปลวไฟเหมือนกันนะจ ะ, ะไฟเกิดจากหญ้าแห้งเกิดจากไม้เกิดจากขี้วัวเกิดจากเศษสเกต็ตไฟสเกต็ตไม้ก็เหมือนกันนะพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าคําสองพระเจ้าเนี่ยนะเป็นเรื่องของการศีลนะคือเป็นเรื่องของศีลถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่รุ่มผิดในการมไม่ว่าคุณจะอยู่วันนนนไหคคุณก็็เปดี Mm. แล้วก็ถ้าไล่มาเรื่อยๆนะตั้งแต่การที่มีศีลนะรู้จักประมาณในการบริโภคนะมีสติสักัรวมอินทรีย์นะอยู่เสนาชนะอันสงัดมีจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกันหมดค่ะแล้วก็มาสรุปลงตรงนี้นะบอกว่าถ้าไฟที่เกิดจากแก่นไม้อย่างเช่นไม้จันทไม้จันท์ไม้สาระเนี่ยก็เกิดเร็วไฟได้ นะหรือไฟที่เกิดจากาไม้เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในารางเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยหรือไม้ที่มาประกอบเป็นตึกราคารบ้านช่องนะมันก็เป็นไม้เหมือนกันนะเอามาจุดไฟได้เหมือนกันเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะมาจากวันน้าไหนเนี่ยถ้าเอามาทําให้เกิดประโยชน์นะจิตเป็นละกิเลสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอืมคะซึ่งไรมา ค, คิดว่าดีมากค่ะเป็นอุปมาที่ดีนะคะเพราะว่า คนในศาสนาพุทธก็มักจะชอบถามเหมือนกันนะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทําให้ทํางานนั้นได้ดีได้อย่างไรทําให้รวยได้อย่างไงทําให้โน้่นให้นีได้อย่างไรใช่ใช่ซึ่งเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะคุณจะคือธร ร, รมะนี่มันสําหรับทุกคนเนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ยสูงเกินไปฉันไม่ได้หรอกหรือว่าโอ้ยธร ร, รมะเป็นของล่าสมัยต่ำเกินไปฉันไม่สนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใชมันได้ทุกระบบนะเป็นของทุกคนใช่ค่ะแล้วก็คํา คำสองของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะคือเหมือนกับตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสองของเราเนี่ยคือแทนตัวเราได้นะใครเห็นเราผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราใครที่เข้าถึงพระธรรมอย่างสุดซึ้งแล้วเนี่ยก็จะพบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นพรนะพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองค่ะอันนี้ต้องขอหยุดนิดนึงเพื่อที่จะบอกท่านทั้งหลายว่า การที่ท่านกําลังฟังธรรมของพระพุทธเจ้าการที่ท่านปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเท่ากับท่านพบพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไปนิพพานไปโดยกายเนื้อแล้วก็ตามทีออืเพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอืมค่ะนเเห็เราผู้นั้นเห็นธรรมชื่นใจไหมคะมเพราะกําลังฟังธรรมพระพุทธองค์อยู่พอดีค่ะแล้วก็ยังพูดถึงยังเปรียบเรื่องนี้เนี่ยนะเหมือนกับคนที่อ เป็นนายพรานช้างนะไปแสวงหาช้างในป่าพอเขาไปหาช้างในป่าเนี่ยก็พบรอยทางรอยช้ารอยเท้าช้างใหญ่มากเลยทั้งโดยส่วนกว้างและส่วนส่วนยาวเขาก็เลยสันนิษฐานว่านี่เต้องเป็นรอยเท้าช้างใหญ่ที่เรากาลังตามหาอยู่แน่เขาก็เดินลึกเข้าไปในป่าอีกนะก็พบว่าเห็นพอเดินลึกเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นรอยที่ช้างสีตัวอยู่ที่ต้นไม้อยู่ในที่สูง นี่นี่ น, นี่ช้างมันตัวใหญ่มากสงสัยต้องเป็นช้างที่เราตามหาอยู่แน่ก็เลยตามเข้าไปอีกนะตามเข้าไปอีกเนี่ยก็พบว่ามีรอยอแสะเปลือกไม้ที่ใช้งานเนี่ยแสะเปลือกไม้คือรอยงานกับรอยสีตัวจะไม่เหมือนกันรอยงาเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าแล้วเป็นงานแบบไหนก็พบเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าโอ้โหนี่ต้องเป็นช้างตัวนี้แน่แที่เรากําลังตามหาอยู่ช้างใหญ่อย่างนี้นะ ง, งามันคมมากอะไอย่างเงี้ยนะก็ตามลึกเข้าไปอีก แต่ยังไม่เห็นตัวช้างนะคุณยมติว <Okay. S 1> พอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยก็เห็นรอยหักกิ่งไม้อยู่ในที่สูงนะรอยหักกิ่งไม้รอยแทะงายอยู่ในที่สูงพอเข้าไปลึกๆเรื่อยๆก็จะเห็นตัวช้างนะที่กําลังเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่จึงถึงความแน่ใจได้ว่านี่ไงช้างตัวที่เราหาอยู่ช้างใหญ่อย่างนี้มีอยู่ <Okay. S 1> ซึ่งเหมือนกันถ้าคุณกําลังตามหาพระรูชาอยู่หรือว่าเอ๊ะทาคำสองวิชเาเป็นยังไงพระเจ้าก็ให้ทดสอบอย่างนี้ ไนะล่ไปเลยตั้งแต่คนที่มีศรัทธาออกบทแล้วมีศรัทธาจะมาศึกษาคำสองพระเจ้านะเอาคุณปฏิบัติตามศีลนะคุณมั่นใจว่าโอ้ศีล น, นี้ทำให้เราสบายใจมีความไม่ร้อนใจเอาปฏิบัติให้ลึกเข้าไปอีกนะจะเจอเรื่องของปิติสุขจิตเป็นสมาธิละนิวอนได้โอ้โหนี่มันเหนือกว่าความสุขหลายๆประเภทเอา้าทาให้ลึกเข้าไปอีกนะเราก็จะพบ ได้ชานนึ่ชานสชานสานีปล่อยวางได้เป็นพระโสดาสกิธาณากรรมพระหลานจึงจะถึงความแน่ใจนะว่าโอ้โหพระชา้านี่มีจริงคำสอนพระเจ้านี่เยี่ยมจริงๆแล้วก็พูดที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วสามารถบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้จริงๆวางกันค่ะนี่คือการทดสอบ น, นะซึ่งเรียกว่าคำสอนเนี่ยสามารถอุปมาอุปไมยอย่างกับรอยเท้าช้างอย่างนี้แหละ ว่อย่างนั้นค่ะอันนี้คิดว่าเป็นอุปมาบุไมที่ที่ดีมกัน<ะ>ที่ว่าถ้าเราต้องการทดสอบคุณก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามลำดับที่พระเจ้าสอนไล่ไปตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาค่ะ น, นะคือคนไม่เชื่อเนี่ยยิ่งต้องให้ทดลองนะคะใช่ส่วนคนเชื่อแล้วศรัทธาแล้วแต่ฉันก็ว่าการที่ได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็ได้รู้ตามแล้วจะได้เห็นผลตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คิดว่าควรจะทําเป็นอย่างยิ่งใช่ใช่แล้วก็ถ้าเราทําได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ยกตนขมท่านด้วยคุณข้อนี้แต่ควรจะระลึกถึงว่ามีสิ่งที่เธอต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่นะคือคุณธรรมอะไรที่มันจะต้องละเอียดเล็กซึ้งขึ้นไปอย่างนะี้นะค่ ะ, ะต่อไปคําสอนของพระเจ้าเนี่ยยังมีอีกว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าให้ใครไปปฏิบัตินะแล้วถ้าเขาปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรแล้วเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนที่ควรที่เราจะต้องไปพบไปเจอไปคุยไปสอบถามไปอย่างน้อยก็ได้กลับได้ไว่าะถึงแม้จะต้องห่อกับข้าวไปกินด้วยเดินทางไกลขนาดนั้นต้องห่อข้าวไปกินด้วยระหว่างทางเนี่ยก็ควรจะต้องไปอืม ค, คนประเภทนี้คืออะไรไ <ป S 1> บ้างก็คือหมายถึงพระสงฆ์หรือว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคําสอนอย่างดี เราควรจะต้องไปพบไปเห็นอย่างบางคนก็จะบอกว่าโอ้ทำไมคุณต้องไปไปถึงต่างจังหวัดพระข้างบ้านก็มีอย่างนี้น ะ, ะก็คงจะต้องดูเรื่องข้อปฏิบัติอะไรต่างๆด้วยแล้วก็พระเจ้าก็ยังบอกว่าถ้าต้องเดินทางไกลขนาดว่าต้องห่อข้าวไปกินด้วยก็ควรจะไปนะคือสงลักษณะนี้ก็คือเป็นคู่สี่นะสีคู่นับได้แปดบรุษนะนะก็คือบรุษผู้ที่เป็นอริยบุคคลทั้งทั้งสีขั้น มักและผละแล้วก็การการสอนของผู้เช้าเนี่ยก็ได้เคยตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลบอกว่าคําสอนเนี่ยเป็นมาตรฐานหมายความว่าเป็นมาตรฐานขนาดที่ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามได้แล้วเนี่นะเป็นพระอรหันเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่3ามร้อไม่ใช่400้อไม่ใช่500มีอยู่มากกว่านั้นมากนะักในที่เป็นไล่กันมาอารหัน อนาคามีสกั า, าคามีแล้วก็โสดาบันแล้วก็มีอยู่จํานวนหลายร้อยนั่นคือหมายว่าการบริหารงานของพระองค์เนี่ยที่มีอริยสาวกอยู่เนี่ยมีปริมาณมากมากันเถอะค่ะอันนี้คือเรื่องคําสอนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ค่ะนี้เราก็จะมาต่อเรื่องของอริยสัจสี่เขาถามก่อนจะ ไ, ไ, ไปไอริยสัจสี่นิดได้ไหมคะ uh huh. ว่าที่บอกว่าคําสอนเป็นมาตรฐานแล้วก็มีอริยบุคคลหลายระดับจํานวนมากเนี่ยนะคะ ปิดแค่ตอนที่ปรินิพานไปแล้วหรือไม่ใช่ไหมใช่ค่ะออก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอกาลิโกคือถูกต้องตรงจริงตลอดการคือการบริหารอริยสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่บริหารเฉพาะตอนที่ปรินิพานนะคือถึงแม้ตอนนี้เนี่ยพระุทธเจ้าก็ยังบริหารอยู่หมายความว่าบริหารด้วยศีลสมาธิปัญญาคาสอนที่พุทธเจ้าได้วางเอาไว้ ถ้าพูดสมัยใหม่ก็คือว่าวางระบบเอาไว้ดีแล้วระบบนั้นยังอยู่เพราะนั้นผลของการบริหารตามระบบนั้นก็ย่อมเกิดก็ยังมีอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ามีกําลังใจทําต่อไปเลยนะคะใช่หายใจให้มีสติทั้งหมดเพิ่งฟังว่ามีกําลังใจต่อไปได้เลยทีนี้มาถึงอริยสัจสี่ต่อกันค่ะอริยสัจสีในวันนี้จะจบเรื่องของตัณหาเราจะจบเรื่องของตัณหาก็คือตัณหาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นเหตุแห่งความโศกนะคือได้บอกอย่างนี้บอกว่า ความโศกเนี่ยย่อมเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนะความกลัวก็ย่อมเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อพ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่านะความโศกก็ย่อมเกิดมาจากความรักนะความกลัวก็เกิดมาจากความรักนะเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่า มีคนอกหักเอาไปท่องดีนะท่านแต่ถ้าตอนอกยังไม่หักมันคนบอกไม่สนใจอะมาพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังสรุปตรงนี้บอกว่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ตัณหา <c oughs> ความกลัวย่อมเกิดมาแต่ตัณหา <c oughs> เมื่อพ้นแล้วจากตัณหาความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าน่าจะสังเกตว่าปริชาใช้สลับคำกันทั้งสิ่งอันเป็นที่รักทั้งความรักความใคร่ความ Cut, ems, ยินดีต่างเนี่ยก็คือตัณหาด้วยเองแล้วก็ตัณหาเนี่ยพอมีแล indem, ling, ้วเนี่ยนะพระรูชาพูดถึงตัณหาเป็นมูลให้เหตุแห่งทุกข์อีกในยันหนึ่งมี9อย่างก็คือว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้มีการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็จะมีการได้ในอย่างที่2พอมีการได้ก็จะมีการโปร่งใจรักเป็นอย่างที่3มีการโปร่งใจรักก็จะมีความกำหนัดด้วยความพอใจเป็นอย่างที่4ี่พอมีความกำหนัดด้วยความพอใจแล้วก็จะมีความสยบมัวมอนเป็นอย่างที่5้า พอมีความสยบมัวมาแล้วก็จะมีความจับอกจับใจเป็นอย่างที่6กพอมีความจับอกจับใจแล้วก็จะมีความตระนีเป็นอย่างที่7จ็นะพอมีความตระนีแล้วก็จะมีการห่วงกั้นเป็นอย่างที่แปดพอมีการห่วงกั้นแล้วก็จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นนะกล่าวคือการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการใช้คําหยาบการพูดส่อเสียดกันสิ่งที่เป็นบาปอกุศลอันเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นนี้เป็นอย่างที่9เพราะฉะนั้น การมาตัญหาก็คือหมายว่าทุกเนี่ยที่มีตัญหาเป็นมูลเนี่ยมีเก้าอย่างนี้ซึ่งตอนต้นๆที่เราพูดถึงตัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกมีสองอย่างใช่ไหมตัญหาที่เป็นให้ให้มีการสแสวงหาหรือตันหาให้เกิดเวทนาเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นั่เนเองค่ะโอ้โหลำพังตันหาอย่างเดียวเนี่ยตามไปเยอะเลยนะคะสแสวงหาได้ได้แล้วปรงใจรัก ท่านคิดตามเลยนะคะท่านฟังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากําหนัดด้วยความพอใจสยบมัวเมาอและอะไรนะคะจับอกจับใจอ๋อจับอกจับใจเตือนี่โอเพราะมันมันจับอกจับใจเราแล้วเราไม่อยากให้ใครได้แล้วแน่นอนเลยขีเหนียวจะแบ่งก็ไม่เอาล่ะค่ะก็เลยห่วงกั้นใช่พอห่วงกั้นปุ๊บมันก็เลยคนอื่นเขาอยากได้ก็เลยเกิดเรื่องราวจากการห่วงกั้นถูกต้องเพลงเลยอออืทุกเรื่องเลย เช่นการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมนะการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาิมาเป็นพ่หลวงม่น้อยเนี่ยเห็นชัดมากยานสงครามเลยนะคะคือ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เรื่องระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศเชียวใช่ค่ะอันตรายมากๆนคือตันหา่าตันหาวันนี้คือจบละเราได้ฟังโทษของตันหามามากลว คงแบบเอื้อมกันมากแล้วในสัปดาห์หน้าจะมาพูดถึงว่าอแล้วไอ้ที่มันไม่มีตนามันเป็นยังไงอ๋อค่ะก็ค่อยโล่งใจอีกใช่ไหมคะท่านผู้ฟังนึกว่าไม่มีทางออกให้ท่านไพรียบุญบอกมีทางออกให้แล้วท่านไพรียบุญเองนะคะเสาอาทิตย์นี้ท่านก็ยังจัดรายการมีทางออกให้สําหรับคนที่ขาดไม่ได้สักวันเดียวเปิดไปฟังที่วิทยุประเทศไทยส่วนรายการของเราจะพักแต่เดี๋ยว ให้ท่านพิบูลพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพูดทิ้งท้ายนะคะวันนี้ก็นมรส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ่าเรียนค่ะท่านพิบูลอยู่ที่อุดรธา น, นีนะคะวัดชื่อป่าดอนหายโศกอยู่ที่อำเภอน้องหาขนขณะนี้กําลังมีการเลร็งค่ะเพียวธร m มะคอม /106 ส่งคําถามไปหาท่านได้นะคะรับรองว่าทุกคําถามมีคําตอบแล้วสําหรับปัญหาถึงแม้ว่าท่านพิบูลบอกว่าจบและวันนี้ ตันหาซึ่งอยู่ในส่วนของอริยศาสตร์ข้อที่2สมุทรไทยแต่ตันหากับตัวเราเนี่ยจบยากเลยนะคะบางคนตายไปตันหายังเกาะแน่นอยู่เลยต้องฟังรายการพุทธวจนะหมายถึงว่ารายการศาสนาสนทนาที่เสนอเนื้อหาพุทธวจนะนะคะกันไปเรื่อยๆหรือว่ารายการของท่านพิบูลที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นแหละและที่นี่ FM106 นะคะท่านติดต่อได้0 2 2 6 9 0องส ขอหนังสือไปศึกษาพุทธประวัติกันย้อนไปย้อนมาได้ซีสามเล่มตอนหนึ่งวันเราแจกให้ด้วยอภินันทนาการจากวัดนาป่าพง์ท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์คริสฟิตรทิพโลค่ะดทฉันเองขอพักสองวันนะคะพร้อมๆกับท่านมาร์กแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันทั้งคณะเลยในวันจันทร์ค่ะวันนี้พุทธวัดสวัสดีค่ะ